ตอนนี้ไปก็พากันตัง อ, อกตั้งใจโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยนั้นมีน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงจะต้องหาโอกาสแนะนำตักเตือนให้พากันมีสติ สมบััญญะระลึกให้ได้เสมอทานที่เราจะรู้ผิดรู้ถกูกด้วยตนเองได้ก็เพราะอาศัยสติอมัญญะนี่แหละเป็นผู้ะระลึกเข้าไปในกายในจิตหาสติของะระลึกนี่ให้มันวน่องไวให้มันทันการทันเวลา สติพระพุทธเจ้าทรงเปียบไม่เหมือนกับทำนตทำนกกั้นน้ำสติที่ไม่ได้ฝึกผลให้ดีให้เข้มแข็งมันก็เหมือนอย่างทำนกที่ทำไม่แข็งแรงเมื่อน้ำเ อ, อ่อเข้ามาก็พังลงไปนั่นเปรียบได้กับปุคคลผู้ที่ ไม่ฝึกสติให้เข้มแข็งควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้พอเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมาจิตใจก็วันไว้ไปตามเลยตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เหมือนกั บ, ท ำ, บทำนบกันน้ำที่ไม่ทำไม่แข็งแรงนั่นแหละแล้ในเมื่อผู้ใดเป็นผู้ฝึกสติให้เข้มแข็ง สติสัมปชัญญะเป็นคู่กันสติความระลึกได้คือระลึกถึงเรื่องราวต่างๆได้สัมปชัญญะเป็นผู้ไขขวนเป็นผู้พิจารณาว่าเรื่องนี้คืออะไรความจริงเป็นยังไงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมีแต่สติยอย่างเดียวถ้าขาดจากสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ได้ผลอีกเหมือนกันเนะ่ะอืม ดังนั้นก็ขอให้สังเกตดูคุณธรรมสองอย่างนี้มันมีอยู่ในตัวของเรามากน้อยเพียงใดก็กำหนดรู้เอาด้วยตนเองแต่ทุกคนก็มี ส, สติสมบัตญิญาอยู่เหมือนกันแหละคุณใดก็ดีไม่มีสติสมบัญญาก็เป็นบ้าเท่านั้นเองแต่ว่าสติมันมีหลายขั้นตอน สติความระลึกได้ระลึกถึงการงานระลึกถึงสิ่งของอะไรต่ออะไรอยู่ที่ไหนจำได้ระลึกได้ถึงได้ระลึกถึงการถึงงานที่จะต้องทำแล้วก็ทำงานนั่นได้เพราะระลึกได้ถ้าสติตัวนี้ไม่เกิดระลึกถึงหน้าที่การงานไม่ได้มันก็ทำงานอย่างนั้นไม่ได้ อันนี้เรียกว่าสติธรรมดาเป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีหน้าที่จะต้องรักษาตัวเองให้ดีไปวันนี้สติขั้นที่สองได้แก่สติที่เราจะสํารวมกายสํารวมวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดในสินสิกขาบทที่ตนสมทานมาแล้ว ต้องมีสติระลึกอยู่เสม อ, อมก่อนจะทำอะไรพูดอะไรมันผิดศีลหรือไม่หรือไม่เพด อ, อันศีลกับธรรมเป็นคู่กันถ้าไม่ผิดศีลบางทีก็ผิดธรรมนี่นะนั่นแหละเช่นอย่างว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองแล้วก็ไม่เกรงใจคนอื่น เอาไปว่าเพื่อนเอาซะเจ็บเจ็บแสบแสบอะไรอย่างนี้นะมันไม่ผิดศีลหรอกแต่มันผิดธรรมแบบนี้นะอันเป็นงั้นผิดผิดธรรมข้อที่อิจฉาริษยานเนี่ยอิจฉาใชกําพูดกระทุทขันให้เพื่อนเจ็บอกเจ็บใจเป็นทุกข์เดือดร้อนโดยสําคัญว่าตอนนั้นมีอํานาจเหนือผู้อื่นอ อะไรไปทานองนี่นะคนไม่รู้จักประมาณตนน่ะตนอยู่ในฐานะอย่างนี้แล้วไม่ควรที่จะไปว่าคนอื่นก็รู้อย่างนี้พรรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าคนอื่นเสียเสยีหายหายถ้าหากว่ามีช่องว่างที่จะตักเตือนโดยทางดีได้ก็เตือนกันไปโดยทางดี เตือนโดยทางดีแล้วเพื่อนไม่เอาก็แล้วไฟ อ, อ่าไม่ต้องมีการจู้จี้เสียบแทงกันอะไรอย่างนี้เดีย๋ยวไปทำเลยอันนั้นนเป็นกิเลสการที่จิตใจมันโกรธมันสุนเฉียวขึ้นมาอยู่ภายในแล้วแสดงออกทางวาจามันก็ไม่สุภาพเลย และไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟังต้องให้เข้าใจถ้าเห็นสังเกตเห็นว่าจิตใจของตนมันวู่วามมันไม่ปกติมันฉุนเหียวอยากว่าคนอื่นอย่างนี้นะรู้อย่างนั้นล้วต้องระงับไม่ต้องว่าใครเลยไม่ต้องพูดกับใครต้องระงับจิตต้องเพ่งจิตอ น, นั้นละอารมณ์ น, นันเสียก่อน เมื่ออารมณ์นั้นดับไปแล้วใจเย็นแล้วอย่างนี้ก็ถึงพิจารณาว่าควรจะพูดอะไรกับใครเราก็เมื่อใจมันเย็นแล้วการพูดมันก็ดีมันก็ไม่เป็นไปทางไม่ดีอื่เรื่ว่ามันสำคัญอยู่ที่จิตให้เข้าใจกันอย่างนั้นอันนี้แหละคำว่ามันผิดธรรมนะ น, นะขอให้เข้าใจท่านผิดศีลไหมเขามาพูดโกหก อย่างนี้นะพูดโกหกพูดคำไม่จริงอันนี้ถ้าเจตนาพูดโกหกจริงจริงศีลข้อนั่นก็ขาด ม, มันเป็นอย่างนั้นแบบ น, นี้ถ้าไปพูดซอเสียพูดคำหยาบกับผู้อื่นนั้นผะิดธรรมแบนี้นะท่านก็เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมวทเหมือนกันเ น, นี่ยนี้อกุศลมันเกิดขึ้นจากความเพลิดทางกายทางวาจา มันเพลงงันแต่มันก็มาจากใจนั่นแหละเพราะใจนะมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมันตั้งมั่นอยู่ในความโกรธเช่นนี้นะมันจึงแสดงออกอย่างนั้นไปนี่มันก็ผิดธรรมให้เข้าใจกันดังนั้นเราจะพูดอะไรกับใครที่ไหนต้องสำรวมใจต้องทนให้ดีต้องมีเมตตาอยู่ภายในจิตใจเสมอ อย่าไปยึดเอาความไม่พอใจในบุคคลอื่นมาไว้เป็นอารมณ์แล้วหาเรื่องพูดกระทบกระทั่งผู้ทิศที่ตนไม่พอใจนั้นอย่างนี้นะมันผิดธรรมมาไม่ถูกขอให้เข้าใจกันเราไม่ต้องยึดถืออะไรผู้ปฏิบัติธรรมแม้ว่าใครจะทำอะไรไม่พอข อ, อใจเราก็ไม่เถื่อละทิ้งให้หมดไปเลย ไอความไม่พอใจน่ะมันเป็นกิเลสแต่เรื่องที่เขาพูดมานั่นเมื่อจิตเราไม่บอนไหวไม่ยึดถือเสร็แล้วมันก็ดับไปอะมันไม่ใช่มีตัวมีตนไม่ใช่เหมือนหอกด่ามาทิ่มแทงเอาอย่างนั้นหาไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจต้องเรียนรู้ ร, รู้กฎธรรมดาเหล่านี้นะไอความชั่วมันก็เป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่ง ถ้าตนมีความช่วยอย่างนั้นอยู่ในใจตนก็ปล่อยออกไปกระทบกระทั่งผู้อื่นถ้าผู้อื่นมีความช่วยอย่างนั้นอยู่ในใจเขาก็ปล่อยออกไปกระทบกระทั่งผู้อื่นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้รู้จักให้อภัยต่อกันนะเพราะความพิ่งเผลอมันมีบุคคลละกิเลสยังไม่หมดอ่า เมื่อความพังเผอของใครเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องระลึกเสมอว่าอ๋อผู้นี้เผลอแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ถือสาเราก็นิ่งเสียงอย่างนี้นะนิ่งทางภายนอกด้วยวควบคุมจิตให้นิ่งอยู่ภายในด้วยไม่ให้จิตมันวันไหวอ่าแบบนิ่งแต่ภายนอกแต่ภายในจิตใจยังวันไหวอยู่มันกใช่ไม่ได้อีกเหมือนกัน อ่าเหตุนั้นต้องให้มันนิ่งภายในแลว้วก็มันนิ่งภายนอกอยู่ด้วยกันเช่นนี้มันจึงไม่กำเริบขึ้นมาเอกพิเลศเหล่านั้นนะอ่าทำเพลงงั้นนี่เราขอให้พากันศึกษาเข้าใจอย่าไปศึกษาในเรื่องศีลอา้าวตนมีศีลอยู่หร้ไม่ห่วงสิขาบทนั่นๆเท่านี้เราไม่ไม่หวนนึกถึงธรรมะประกอบกันนี่ไม่ได้เลย เมื่อไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วหน่อยหนึ่งมันก็ทำลายศีลอีกแล้วมันเป็นเช่นนั้นเพราะศีลธรรมมันจึงอะไรเป็นคู่กันนั่นเองเป็นคู่กันท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มีวิหารธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้น มีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่หมายเขาว่าอย่างนั้นคําว่าวิหารธรรมนั่นนะดังนั้นเราต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจอ่าซึ่งเป็นคู่ปรับกับกิเลสในใจของผู้นั้นแต่ละคนเช่นบุคคลผู้มีทศมานะอยู่ในใจอย่างนี้นะมันก็ต้องเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรม เสมอเสมออยู่ในใจให้มังมากที่สุดเท่าจิตที่จะมากได้ถ้าบุคคลมีความโลภอยู่ในใจอย่างนี้เห็นอะไรก็ตะอยากได้อยากได้อยา่างไม่คำหนึ่งถึงกิเลสในหัวใจของัข ว, วเองอเช่นนี้กระเพาะมันขาดสันตุถิธรรมคือความยินดีตามมีตามได้ ความรู้จักประมาณในตนมันขาดคุณธรรมเหล่านั้นแล้วมันจึงเกิดความโลภเร่งเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่นหรือว่าบางทีก็เพ่งเลงไปในลาบยศสรรเสริญของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันเห็นผู้ใดผู้หนึ่งมี รายได้มากกว่าตนมีการได้รับเอื้อเฟื้อจากคนรักคนใหญ่มากกว่าตนในเช่นนี้ก็นึกอิจฉาลิษยาขึ้นในใจแล้ว อ, อันนี้ก็จัดเป็นความโลภให้เข้าใจเราต้องมาค้นคิดตูกิเลสในหัวใจนึงแต่มันถึงจะได้ผู้ใดไม่มา คนคิดไม่มาเพ่งดูจิตตัวเองจะไม่เห็นกิเลสอันเกิดขึ้นในใจเลยอืมลอยให้ใจมันลอยลอยอยู่เฉยๆอย่างนี้นะมันมันจะมองไม่เห็นกิเลสอันมันหมักหมมอยู่ในใจิตใจนั่นอืมเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนเข้ามาใกล้ๆนี่เทศไปไกลแล้วส่วนมากก็ฟังเพลินไปเฉยๆ อาจจะไม่รู้ตัวบางคนนะเป็นเพียงงั้นก็เมื่อมันไม่รู้กิเลสอันมักดองอยู่ในจิตใจตัวเองแล้วจะละมันได้ยังไงอะ่ะแล้วตนกระทาความดีอย่างอื่นไปเลยสําคัญว่าตนดีไปเรื่อยไอ้ส่วนกิเลสมันบันดาลให้ทําชั่วทําไม่ดีพูดไม่ดีนั่นไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ ไม่ตำหนิตีเตียนตัวเองเลยว่าตนทําไม่ดีอย่างนั้นมันเป็นความชั่วของตัวเองระลึกไม่ได้เปลือนตนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื่อได้ถือเอาแต่คุณความดีที่ตนทํานั้นเป็นอารมณ์ว่าตนดีอยู่เสมอไปแล้วก็มักจะยกโทษผู้อื่นไปเห็นผู้อื่นว่าไม่ดีอย่างนั้น เพราะว่าความหลงความเมาเมาอะไรความคิดความเห็นนี่นะมันเป็นเหตุนะเข้าใจกันอดังนั้นบรรดาความคิดความเห็นทั้งหลายเรามันคิดอย่างไรเห็นอย่างไรขึ้นมาต้องมาวิจัยดูเสีก่อนว่าตอนคิดเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้นะมันถูกต้องไหมควรทำควรพูดตามความคิดความเห็นนี่ไหมนี่ฮะ เรื่องสำคัญสำคัญต้องเอามาคิดมากรองมาพิจารณาสัก่อนเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นความคิดความเห็นที่กรงต่อทำต่อวินยัยไม่ผิดทาผิดวินัยแล้วก็จึงค่อยทําค่อยพูดไปเรื่องสำคัญเรื่รความบางอย่างเป็นอย่างนั้นเรื่องใดๆก็ดีมันก็ขึ้นอยู่กับวิชารณญาณของแต่ละคน เมื่อผุฝึกความรู้ความฉลาดให้มันว่องไวแล้วอย่างนี้นะมันก็รู้ทันความคิดความเห็นได้พอรู้สึกว่ามันคิดนึกทางผิดขึ้นมามันก็รู้ได้ทันทีอย่างนี้นะโอ้ในคิดผิดแล้วผิดทางแล้วนี่เมื่อรู้อย่างนี้เราก็รีบกำหนดละความคิดความเห็นอันนั้นให้มันระงับดับไปเลยไห้ที่บุคคลจะแสดงออกซึ่งทาง ผิดพลาดทางศา น, นาวันนี้ล้วนแต่มันไม่รู้ไม่รู้เท่าความคิดความเห็นตัวเองอืมขาดสติสมบัติเส้นยะฉันไปนอย่างนั้นเมื่อกิเลสมันผักดันเอาแล้วก็ลั่งไม่อยู่เลยก็แสดงออกทางกายทางวาจาอืออกไปแต่ตนเองเข้าใจว่าทําถูกผู้ถูกแต่ในสายตาของผู้อื่นผู้รู้ทั้งหลาย ท่านเห็นว่าไม่ถูกออคนลืมตัวไปอย่างนั้นเลื่อมมันนะคนรู้ตัวอยู่นี่ย่อมจอมรู้ความบระพฤติของตนอยู่ตลอดเวลาไปเลยอแล้วก็จะไม่ค่อยเผลอไม่ค่อยเผลอทําผิดพูดผิดเพื่อเป็นผู้ฝึกสติสมัมปชัญญะควบคุมเจ็กจิตของตนได้อยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะ ไอ้กิเลสโมโหโทโสอะไรมันก็ครอบงําจิตไม่ได้เมื่อสติมันควบคุมจิตอยู่นะมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันไม่ฉุนเฉียวไม่งุดงิดไม่วู่วามในเรื่องนั้นนั้นอืมเพลงงั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจอืมไอเราไม่รักษาตัวเองนะจะให้ใครรักษาให้ มันไม่ได้หรอกให้เข้าใจโดยเฉพาะยิ่งอยู่กันในหมู่มากอย่างนี้นะออแล้วผู้เป็นหัวหน้าผู้ปกครองที่ไหนจะไปตามดูแลคนหมู่มากทุกคนได้ไม่มีมีแต่แนะนำบอกอุบายฝึกจิตใจให้อย่างนี้แหละเมื่อเข้าใจแล้วก็พากันเอาไปฝึกหาปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่แนะ น, นํานี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันเลยการอยู่ด้วยกันนะอืมแล้วถ้าผูใ้ใดเผลอตัวไปทําผิดพูดผิดต่อใครเข้าแล้วก็ขอโทษกันอย่างนี้นะผู้ถูกกระทบกระท่านก็อัโหสศีกรรมให้กันไปแล้วก็เลี้ยไปอย่างนี้ขอให้ปฏิบัติกันอย่างนี้ เมื่อตอนพลาดพังไปแล้วอย่างนี้ยังไปเก็บเอาความชั่วนั้นไปอยู่ไม่ยอมสารภาพความผิดตอนตอเพื่อนผู้นั้นเนี่ยจะละกิเลสไม่ได้เลยกิเลสจะต้องครอบงาจิตใจไปอยู่นั่นแล้วเพราะว่าเลี้ยงมันไว้นี่ถ้าไม่เลี้ยงมันหมายความว่าเมื่อรู้ว่าตนเผลอไปอย่างนี้แล้วก็ยอมรับผิดไปเลยโอ้ ฉันเผลอไปแล้วอย่างงี้นะฉันขอโทษอืมมันไม่เสียเปรียบเสียเรียบอะไรนะการขอโทษกันเนี่ยเป็นคุณความดีซ้ําเพราะว่าอุทธรณ์นะยังมีกิเลสอยู่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดจะไม่ให้มันเผลอได้ยังไงเล่ามันก็มีเวลาเผลอนะนะ่ะแต่ว่าให้รู้ตัวไวห้หน่อยเมื่อตนเผลอไปแล้วก็รีบรู้ตัวขึ้นมา แล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับผู้อื่นก็ต้องรีบขอโทษขอให้อภัยเพื่อนให้อภัยกันไปแล้วเรื่องมันก็จบลงได้มไม่ต้องทุ่มเถียงกันไม่ต้องแก้ําพูดของกันอะไกันเลยขอให้ปฏิบตัติต่อกันอย่างนี้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากแอ่ท่านผู้ละอาสวะกิเลสทิ้งไปแล้วนั้นไม่มีปัญหาอะไรท่านอยู่ด้วยกัน จำนวนพันจำนวนหมื่นก็ไม่มีเรื่องอะไรเพราะว่าต่างคนต่างลา ก, กิเลสอันจะเป็นเหตุให้กระทบกระทั่งกันไม่มีแล้วความโลภท่านก็ไม่มีอย่างนี้นะใครได้ดีได้ดีท่านก็แสดงมูธศาชิต ด, ด้วยอืามเย็นดีด้วยอย่างนี้แหละเอา้าใครถึงความวิบัต ถ้าก็ช่วยเหลือถ้าช่วยไม่ได้ก็วางเวียขาลงท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหลือไปใส่แล้วนี่ช่วยไม่ได้แล้วก็จะไปเสียใจเศร้าโศกกับไอ้เรื่องมันแก้ไม่จกนั้นทําไมอ่ะอืผู้รู้ทั้งหลายนะท่านเป็นอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้อันผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นี่ยังหวงกิเลสอยู่อไม่เป็นอย่างนั้นพี่ เรื่องอะไรมาถึงชนกระทบกระทั่งชนก็ไปงุดเยดขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาอะไรจิตนั่นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านละกิเลสปมดสิ้นไปแล้วนี้อะไรกระทบจิตใจของท่านมามันก็ไม่ผิดแปลกอะไรเลยไม่ไม่วันไว้ไม่ตื่นเต้นต่อเรื่องกระทบกระทั่งอะไร่างเหล่านั้นนะถึงจะเป็นเรื่องชั่วกว็าตามถึงดีก็ท่าง ท่านผู้รู้งหลายท่านก็มีจิตเป็นปกติอยู่นั้นถ้าอย่างหนึ่งก็นึกเพียงแต่ว่าสงสารผู้ที่ตั้งเผลอผู้ที่ผิดพลาดผู้ประมาทนั้นถ้าเกิดความสงสารขึ้นเท่านั้นเนี <c> ่ย <oughs> สงสารว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่มากมายยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้อันนี้ ให้พากันรู้เรื่องกฎธรรมดารู้ว่าเมื่อเราต่างคนต่างก็ยังละกิเลสไม่หมดนี่นะแต่ว่าเราก็เพียกภาคเพียนพยายามที่จะละกิเลสต่างๆในหัวใจให้มันหมดไปสิ้นไปอยู่นั่นแหละพยายามต่างคนพยายามอยู่นั่นเมื่อต่างคนต่างพยายามละกิเลสอยู่เนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรกันเลยนะมเมื่อใครพังเผยขึ้นมากระทั่งกระทั่งก ให้อภัยไปเสียละไปเสียไปไม่ยึดไปถือเอามันอย่างนี้นะแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอะ่ะถ้าไปยึดถือเอาแล้วมีเรื่องแล้วนีอมันเพียงนั้นถึงแม้ว่าเราจะยังลา ก, กิเลสไม่หมดแต่เราเมื่อมันเผลอกิเลสมันเกิดขึ้นเวลาใดเราก็กำหนดละมันเวลานั้น <c oughs> ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ เมือ่อไม่ใช่ว่าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็จะเลี้ยงกิเลสนั้นไว้ยึดเอาไว้มันก็มีเรื่องแล้วว่านีเน ะ, ะมันก็มีเรื่องไปกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าไปแล้วหาความสงบไม่ได้แล้วเบงันดังนั้นจึงว่าสรุปใจความแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่มันต้องเพียรละเลือ่อยไป เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมาถึงตนก็ดีถึงผู้อื่นก็นี้ก็อย่าไปเสียใจดีใจอย่าไปโกรธเกลียดละเรื่องนั้นไปเสียแล้วไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเลยเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหลายที่ปรากฏภายนอกแต่คนตาไม่ยึดถือแล้วมันก็หายเข้ากลีบมเมฆไปเลยเรื่องต่างนี่ขอให้พากันปฏิบัติอย่างนี้ อือย่าไปยึดถือเอาไว้ถ้ายึดถือเอาไว้แล้วมันยุ่งแหละอืมเมื่อมันยุ่งแล้วมันก็ไม่เป็นศิลปไม่เป็นธรรมที่แบบนี้นะก็เหลวแหละเหลวไหลสิความบกพรอยความเป็นอยู่อย่าไปทําเหมือนอย่างทำพังเพยที่ว่าปลาตัวเดียวเหม็นคับห้องอย่างนี้ไม่ถูกหรอกถ้า มาพูดทางธรรมะขั้นสูงขึ้นไปไม่ถูกหมายความว่าคนผู้เดียวทำให้คนหมู่มากเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนี้นะอา้าถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ไม่ยึดถือความชั่วของผู้อื่นมาเป็นสมบัติของตนแล้วอย่างนี้คนคนเดียวจะแสดงบทชั่วอะไรออกไปก็แสดงไปสิแต่คนหมู่ใหญ่ไม่ถือสาไม่ยึดถือเลยอ่าอย่างนี้นะ แล้วตบมือข้างเดียวนึ่งมันจะไปดังอะไรแบบนี้มีแต่คนชั่วแสดงบทบาทควาชั่วออกไปผู้เดียวคนรู้ธรรมคนดีนอกนั้นไม่กเกี่ยวข้องเลยอย่างนีเ้เดี๋ยวเพื่อนแสดงออกคนเหนื่อยแล้วก็หยุดไปเท่านั้นเองเรื่องมันก็แล้วไปอืมไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติเพื่อระอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้อืมคอยเข้าใจไอ้สรุปพ่อปฏิบัติทั้งหลายนะไอ้เราปฏิบัติเริ่มแต่การให้ทานการรักษาศีลการไหวพระนั่งสมาธิภาวนาหมู่นี้น่วนแต่เป็นอุบายละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลย ลงพากรัตติตองดูสิการให้ทานก็เราสละสิ่งของให้แก่ผู้อื่นไปอย่างนี้นะก็เรียกว่าเราละความยึดถือในสิ่งของจำนวนนั้นแตแล้วสละลงแล้วละแล้วไม่ถือมัน่นว่าเป็นของเราแล้วสอมย่อมสละให้ผู้อื่นไปนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ความโรคความเห็นแก่ตัวงหลายมันก็เบาบาง ออกไปจากจิตใจของผู้นั้นอย่างนี้แหละการรักษาศีลตั้งเจตนาวิรัตละเว้นจากโทษ น, น, นั้นัแล้วอย่างนี้ตออจากนั้นไปก็จเจริญเมตตากรุณาประกอบกับศีลเป็นคู่กับศีลไปอย่างนี้เลย เมื่อเหตุที่จะควรให้ละสินข้อที่หนึ่งปาณาติบตาตคนมาชวนเราเล่าวิวาสทกบกันตีการฆ่ากันเอาเราไม่เอาด้วยเราไม่ขอสู้เราอาโหสิกรรมไปเลยอย่างนี้นะแล้วเส้นนี้การที่จะได้ร่วงสินข้อั้านไม่มีแล้วผู้ด้าน่ะเผลอว่า ไปเห็นสัตว์ที่ดุร้ายมันก็นึกได้ว่าสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดนี้มันเป็นอย่างนั้นมาจา ก, กําเนิดของมันเพราะฉะนั้นเราต้องให้อภัยถ้าเราไปทุกไปตีไปฆ่ามันมันก็ตายเราก็ได้บาปความทุกข์มันก็ต้องติดตามไปอืคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็หาทางหลีกมันไม่ทู้กับมันไม่ทําร้ายมันอื เล้วเวรทั้งหลายก็ไม่มีแบบนี้นะศีลก็ยังเป็นปกติดีอยู่เป็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะ่ะธรรมะค ร, รมสอนของพุทธเจ้านะ่ะดีแสนดีนะให้พากันคิดดูให้ดีธ ร, รําสอนของพุทธเจ้าเป็นเครื่องคาจัดกิเลสออกจา ก, กจิตใจของคนผู้น้อมเข้าไปไว้ในจิตใจจริงๆเลยนะ ดังนั้นผู้ใ ด, ดที่ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาอย่างนั้นแล้วก็สามารถควบคุมจิตที่มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยที่มันหลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างนนๆนานาควบคุมไว้ได้การที่จิตมันหลงไปก็เพราะมันคิดไม่หยุดมันพุ่งไปตามเหตุนั้นๆนตามเรื่องนั้นๆ แล้วมันไม่ยอมพิจารณาดูเรื่องนั้นว่ามันควรส่งเสริมควรยึดถือหรือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้คิดเลยอันขึ้นเชื่อว่ามันหลงแล้วนะเว่าแต่สัญญาอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาในความรู้สึกแล้วก็ปรุงแต่งไปตามสัญญาความจำหมายนั้นนั้นไปรเรื่อยเปื่ยไปอย่างนั้นไม่ได้ทวนกระแสจิตมาพิจารณาว่าควรยึดถือหรือไม่หรือไม่ควรใหม่ ผู้ที่ภาวนานี่เมื่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วว่ามันต้องทวนกระแสจิตสัมรวมจิตให้แน่แวแนการพิจารณาเรื่องนั้นอืเรื่องนี้ควรหรือไม่ควรถ้าเห็นว่าไม่ควรวก็ละเลยอย่างนี้ถ้าเห็นว่าควรทําควรพูดไปมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็ทําไปพูดไปอย่างนี้เนี่ยจึงได้สมกับพุทธภาษิต ที่ทรงสั์ได้ว่านิสัมมะกระนังเสยโยแปลว่าใครครวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่านี่แหละให้จำเอาไว้ถ้าหากว่าเรื่องใดมาถึงเข้าเราไม่ได้ใครครวนเสียก่อนนะวุ่นวามทำไปพูดไปอย่างนี้บางทีก็ผิดพลาดเลยก็เมื่อมันผิดพลาดแล้วมัน ก็ยุ่งใจตัวเองอันนี้ลยให้พากันเข้าใจการภาวนานี้จึงชื่อว่าสำคัญมากทีเดียวเพราะว่ามันเป็นการควบคุมจิตโดยตรงเลยดีชั่วทั้งหลายเกิดจา ก, กจิตดวงนี้จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้น ความโลภความโกรธความหลงอะไรก็จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาไอ้ในผู้ใดถ้าตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติสามประการนี่แล้วกิเลสสามกองนั้นมันก็ครอบงำจิตไม่ได้อืเพราะว่าผู้ฝึกจิตให้สงบนิ่งได้แล้วอย่างนี้นะมันย่อมรู้เลยว่าอันอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถูกมันก็รู้ได้เลยอมืมันเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบแล้วนั้นรู้ไม่ได้คนส่วนมากมันทำจิตให้สงบไม่ได้อย่างนี้เลยเหตุนั้นมันจึงไม่รู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองเลยมันจึงไปทำถูกตั้งทำผิดตั้งไปอย่างนั้นนะเพาะนั้นให้พากันสำคัญใ้เรื่องทำใจใจให้สงบนี่นะสำคัญนะ เรื่องปัญญานั้นมันย่อมเกิดขึ้นจากจิตใจที่สงบอันปัญญาในทางธรรมนะปัญญารู้จริงรู้จริงตามเป็นจริงแห่งสังขารทางหลายย่อมเกิดจากสมาธิทําจิตให้ตั้งมั่นทําจิตให้ระ ง, งับจากนิวรณ์ทั้งฮาคือระ ง, งับจากความรัก ระงับจากความชังความพยาบามระงับจากความง่วงเหงาห้าวนอนไม่ให้มีเลยความง่วงเหงาหงาวนอนต้องกาจัดมันออกไประงับจิตด้วยการเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตทุ่งซ่านเลื่อนลอย อ, อย่างนี้นะระงับจิตไม่ให้สงสัยลังเล ในเรื่องบาปบุญคุณโทษถ้ามันสังสงสัยอะไรจนคิดไม่ออกก็ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ท่านชี้แจงให้ฟังจนสิ้นสงสัยเนี่ยกิเลสที่มันเป็นศัตรูต่อสมาธิภาวนาก็มีอยู่ห้าอย่างนี้เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเลยไม่รู้ว่ากิเลสชนิดใดเกิดขึ้นก็ ละมันไม่ได้เพราะมันไม่รู้มันอือย่างนี้เลยไม่รู้ว่ามันมีพิษมีภัยอะไรต่อตัวเองเช่นมันมันง่วงมาอยากนอนเออก็ไปนอนเสียอย่างงี้นะไม่รู้ว่าไอความง่วงเหงาหาวนอนนะไม่ถึงเวลานอนมันง่วงมาไงมันเป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนามันจะขัดกั้นไม่ให้คุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตใจ เพราะฉะนั้นเมื่อมันง่วงได้เวลาทําความเพียรนั่งภาวนาะเราก็ไม่ต้องไปตามมันเลยเอานั่งมัน ง, ง่วงกับลูกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างาเท้าพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งซึ่งตนชอบใจเมื่อจิตมันยินดีเพลิดเพลินอยู่ในธรรมะนั้นๆแล้วมันก็หายง่วงอืม เรียกว่าทำให้ของว่วงมันหายจากกายจากคิตแล้วอย่างนี้จึงเป็นนั่งภาวนาสมาธิใหม่อย่างนั้นธรรมดาผู้มีความภาคเพียร น, นะไม่ต้องย่อท้อมันไม่ได้เร็วก็เอาช้าขึคือว่าผู้มีความเพียรไปอย่างนั้นผู้มีความเพียรนะคำว่าคำเณรทำไปแล้วมันไม่ได้ผลก็ยุดเสียอย่างนี้ ชื่อว่าไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรแล้วก็เอาชนะความชั่วเอาชนะกิเลสต่างๆไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อไม่มีความเพียรก็ควบคุมจิตไม่ได้อืผู้ควบคุมจิตได้นั้นเพราะเพียรเพ่งเข้าไปภายในอยู่เสมอยืนเดินนั่งนองนนะ่ะเพ่งกลัวกาจิตใจตัวเองอยู่เสมอเพราะขณะนี้จิต เป็นยังไงอยู่ตั้งมั่นตอกกุศลธรรมอยู่หรือว่ามันไปตั้งมั่นตอกอ ก, กุศลนี่ต้องสำรวจเสมอไปอถ้ารู้ว่ามันกิดตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างนี้แล้วแล้วก็รักษาประคองความรู้สึกอ น, นั้นไว้ถ้ารู้ว่ามันเฉไปนอกทางไม่ไปนึกไปถึงเรื่องบาป ความชั่วอันผิดศีลมันก็นึ ก, กลอยลอยไปหาเรื่องที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไปอย่างนั้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็สงบไม่ได้มันก็รวมลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ให้สังเกตดูอารมณ์ของจิตให้ได้เมื่อเมื่อจิตมันลอยลอยไปนั้นก็รู้ตัวที่อา้าวนี่ผิดทางอีกแล้ว ก็มาเพ่งลมหายใจเข้าออกมีสติประคองความรู้สึกอันนี้ให้เข้มงวดเข้าไปเข้มแข็งเข้าไปเช่นนี้แล้วอจิตนี่มันก็จะไม่เลื่อนลอยไปตามอารมณ์อันไม่มีประโยชน์ต่างๆนั้นท่านนี้มันก็หยุดอยู่ที่เดิมอยู่ในปัจจุบันได้อืเมื่อฝึกจิตนี่ให้ได้ตามประสงค์คือให้ นิ่งอยู่ตามประสงค์ได้แล้วอย่างนี้เอาจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาลงไปแบบนี้มันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นแหละแบบนี้เมื่อจิตหยุดนิ่งเดียวเหมือนอย่างหลอดไฟฟ้ากนี่แหละมันไม่มีอะไรกระทบกระทั่งมันมันนิง่งนิ่งอยู่เนี่ยพอไฟมันวิ่งเข้าหลอดมันก็สว่างโล่ออกมาเลยแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์อืม อันนี้จิตคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าฝึกให้มันสงบมันนิ่งแล้วอย่างนี้มันพองใสอเมื่อมันพองใสแล้วมันก็คิดอะไรมันก็เจีมแจ้งไปแนนั้นท่านเรียกว่าดวงปัญญานี่นะนี่แหละเมื่อกระแสจิตมันพองใสแล้วเราพิจารณาเรื่องอะไรมันก็เห็นแจ้งไปเหมือนอย่างหลอดไฟฟ้าอย่างว่านี่แหละ เมื่มันไม่เสียสวิทมันก็ไม่เสียไส้มันก็ไม่เสียอย่างนี้นะมันปกติทุกอย่างมันก็ส่องแสงสว่างเสมอไปอย่างนี้เราก็มองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรอยู่ในรัศมีแห่งความสว่างอันนั้นได้ออันนี้ก็เหมือนกันเละเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันพองใสแล้ววันนี้คิดอะไรออกไปมันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นไปฮะมันก็เห็นแจ้งไป สิ่งใดที่เห็นว่ามันชั่วมันไม่สมควรยึดถือก็กาหนดละมันก็นละไปได้เลยพอมันเห็นด้วยปัญญาแล้วนี้มันเป็นงนั้นกอสิ่งนี้เราควรรู้เท่าเช่นทุกอย่างนี้นะความเจ็บความปวดทุกขเวทนาอะไรสั่งนี่ไม่ใช่จะไปละมันได้เมื่อขันห้านี่มันยังมีอยู่ตาบใดแล้วทุกเหล่านี้มันก็มีอยู่อย่างนั้น พระศาสดาทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าให้อดทนไม่ให้วนไหวไปตามทุกขเวทนาต่างๆนั้นนี่นะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นแจ้งที่อ๋อเมื่อเห็นว่าคนอดทนรู้รเท่าแล้วก็อดทนแหละไม่ปล่อยให้จิตมันวนไหวไปตามไอ้ทุกขเวทนาต่างๆนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่า เมื่อจิตสงบลงไปแล้วปัญญามันเกิดแล้วมันก็ยอมเห็นแจ้งในในสังขารที่มันเกิดขึ้นน่นั่นแหละถ้าในว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นเช่นอย่างร่างกายมันวิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งเลือดลมเดินไม่สะดวกเลือดลมมันไปค้างอยู่ตรงไหนมันก็เจ็บปวดตรงนั้นขึ้นมาอย่างนี้แหละอืม แล้วก็อดก็ทนไปเพ่งความทุกขั น, นั้นจนว่ารู้เท่าจนจิตไปหวันไหวบางทีไอความติดขัดของร่างกายตังงานั้นมันก็อาจรุ่ร่วงไปได้ลมมันติดขัดมันก็จะเดินได้สะดวกถ้าจิตมันลงจิตมันรู้แจ้งไม่ยึดไม่ถือแล้วนี่ก็เคยเป็นมาเหมือนกันนะ่ะ ไะเป็นไข้อยู่ถ้ำถ้ำหนึ่งทางภาคเหนือนู่นไข่อยู่หกเจ็ดวันมันก็ไม่หยุดไม่หยุดก็ได้เครื่องปูนั่งแล้วก็ไปปูลงหินก้อนหนึ่งในก้นถ้าพอมองเห็นแสงสว่างสลัวสลวนี่นะ่ะนั่งแพ่งเข้าไปเพราะว่ามันร้อนในกระเพาะ ร, ร้อนในลใําไส้อ่าเป็นไข่ร้อนนะ่ะ อย่างนี้เพ่งความร้อนนั้นไม่ยอดท้อเลยเพ่งไปเพ่งมาวัานนี้ไอความร้อนนั้นมันก็พุ่งออกไปตามรูขุมขนเนี่ยพร้อมทั้งเหงื่อใครก็ไหลออกตามขุมขนนี่ฉันว่าจีวรที่ห่มอยู่รวมๆแลว้วปรากฏว่าเพิงวับเพิงวับ ลมในกายเนี่มันพุ่งออกพิษของพอโรคภัยอันนั้นน่ะพิษของความร้ อ, น, อนนั่น่มันพุ่งออกพุ่งออกคราวนี้ความร้อนทางภายใ น, นยมันก็เบาลงเบาลงในที่สุดความร้อนเหล่า น, นั้นก็ระ ง, งับไปหมดเลยไข้ก็สางมาดิอืมก็ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วว่าถ้าไข้ยยไม่ส่างกับใดร้อนนี่ยังไม่สงบ เราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยตายับนี้แหลนนนะเอาจริงเอาจังเข้าไปจริงๆแล้วอานุภาพแห่งสมาธิมันก็ขับไล่โรคภัยออกจากร่างกายนี้ได้เหมือนกันแต่มันต้องเป็นบางสิ่งบางอย่างนะแต่บางอย่างนั่นไม่ได้ไม่ได้หรอกต้องใช้ยามันเป็นอย่างนั้นดังนั้น เพียงเป็นไข้เป็นหนาวอะไรมืมเนียเราทั้งรับประทานยาด้วยแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเพ่งจิตเข้าไปจะให้มันหวันไหวกับความร้อนความหนาวความเจ็บความปวดเหล่านั้นได้หิตจุดนิ่งอยู่ได้นะวันนี้ก็นั่นแหละอาการของโรคเหลนะ่านั้นมันบรรเทาลงได้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ เพราะนั้นู้ใดเจ็บใขรไดป่วยแล้วนะ้อยอย่าไปนึกถึงแต่โงพยาบาลเลยต้องเข้าที่ภาวนาเพ่งกันเอาไว้มาเมื่อจิตรวมลงไปแล้วมันอาจจะบรรเทาลงไปได้เลยอืามันเป็นงั้นถ้ามันไม่บรรเทาบรรเทาิงจริงก็จึงค่อยไปโรงพยาบาลออันนี้แนล่เรียกว่า การปฏิบัตินี่นะเราฝึ ก, กจิตให้สงบได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเรียกว่ารู้ผิดรู้ถูกรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำสิ่งที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดมันก็รู้ขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยใครจะสอนให้ใครไม่ได้ละเรื่องหมนี่ต้องต่างคน ต, งต่างต้องฝึ ก, กจิตของตนให้สงบให้ตั้งมัน่น ลงได้ดีแล้วอย่างนี้ปัญญามันเกิดแล้วมันก็รู้เองขึ้นมาเลยบแบบนี้นะอะไรถูกอะไรผิดมันก็รู้ขึ้นมาอันใดสมควรทำสมควรพูดมันก็ทำได้พูดได้สิ่งใดไม่สมควรทำไม่สมควรพูดมันก็หยุดลงได้ไม่ทำไม่พูดแต่เง้นผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงได้ ประคับประคองตัวเองสม่ำเสมอไม่มีผิดมีพลาดต่างๆจะเป็นเข้าสู่สังคมกับคนหมู่มากอยู่ร่วมคนหมู่มากก็ตามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่แสดงอาการไม่ไดีไม่งามกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยจะอยู่คนเดียวก็ไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวก็สำรวมจิตอยู่เป็นปกติ จเจริญปัญญาเห็นความเกิดความดับแห่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างทั้งภายนอกทั้งภายในภายในก็ธาตสี่ขนันธานี่มันก็มีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้นะภายนอกธรรมชาติดินฟ้าอากาศต้นไม้ใบหญ้าบุคคลหรือสัตว์อื่นๆกรณีก็มีเกิดมีดับกันอยู่อย่างนั้นนะ แล้วอะไรล่ะที่ไม่มีเกิดมีดับมีหรือในโลกนี่ลองตั้งปัญหาถามตัวดูสิแน่อนอนนะมันก็ต้องตอบได้ว่าอันสิ่งใดในโลกอนี้มีเกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับไม่มีเลยอย่างนี้เลยแม้แต่แผ่นดินหนาตั้งสองแสนสี่หมื่นยกมันนี้มันยังพังทลายลงได้อืมมันแบ่งั้น นานไปนานไปยังเกิดไฟไหม้แผ่นดินนี่เป็นจุลวิจุนไปเลยเพะนะแล้วมันจะมีอะไรเราเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนนะไม่มีลายอะ่อกะก็ปัญญาวิพัฒนานะก็ต้องเพ่งพีนาธรรมชาติต่างๆให้มันเห็นแจ้งประจักษ์เพราะว่าใจนะ่มันคอยไปยึดเถอธรรมชาติเหล่านั้นเลยเอ้าว บุคคนก็นเป็นธรรมชาติเหมือนกันเน่ะต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายแม่น้ำลำคลองอะไรก็ธรรมชาติทางนั้นเลยธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วแพร่พววแตกรับไปธรรมชาติเหล่านี้นะไม่ใช่มันจะยั่งยืนอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะขอให้พากันอย่าประมาทเมื่อเราได้ฟังคําสอนพระเจ้า ได้รู้หนทางออกจากทุกอย่างปานนี้แล้วก็มีแต่หน้าที่เราจะลงลงมือทํำภาคเพียนไปเท่านั้นเองนะภาคเปียนไปตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนนี่ให้เต็มความสามารถของตนสรุปแล้วจึงว่าฝึกจิตตดวงนี้ได้แล้วก็ได้ทุกอย่างเลยฝึกจิตให้มันดีได้มาหมายเขาว่าั้นนะแล้วมันก็ทําความดีทุกอย่างตั้งแต่อย่าง อยากจนถึงอย่างละเอียดต้นมันก็ทำได้แหละจิตนี่เมื่อมันละเอียดเข้าไปเท่าไรมันก็ทำความดีให้ละเอียดแล้ว อ, อเข้าไปไดเท่านั้นนะมันก็รู้แจ้งธรรมชาติต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียดแล้ว อ, อเข้าไปจิตใจก็จึงไม่ยึดไปถืออะไรทั้งหมดเมื่อมันรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วอันนี้แหละเป็นทางคนทุกข์ เป็นทางค้นทุกข์ถึงสุขคือพระนิพพานอันเป็นธรรมชาติที่ไม่แปลผันเป็นอย่างอื่นไปสมควรแก่เวลาขอยุตติลงเพียงเท่านี้นี่แหละการรักษาศีล